จะทำหน้าจะเอาจะพูดอะไรฟูฟังเกิดกันเยบ่อยเกิดจังเก่ากิดจังเก่าเกิดจัเก่าวิเลตเกิดเจ้าเก่าทำสิ่งปฏิบัติของเก่าอะไรที่จะใหม่ขึ้นความสำคัญการปฏิบัติศาสนาการปฏิบัติใจต้องวเอ e ไปปฏิบัติที่อื่น้าเรื่องั้งตาสนาอยู่เพ่อกายรายใจใจ้าน่ออื่นเป็นเรื่องทั้ดของตาสนาอยู่ใจแข็งขศาสนาเป็นศาสนาวัตถุอยูเดวหารอยู่เพืออายัยอะไรสักอย่างนั่ก็เป็นเรืองเกิดของาสนาอยู่ใจทั้งตองศาสนาใจแข็งก็คือกายรายใจใอยู่ปต่เพืตเป็นไปเกนักฝน ทุกคนมุม่นแต่ฏิบัติตัวของตัวให้รับความสุขความสบายแต่ความสุขความสบายคือพวกเราทั yes, ้งหลายต้องการมันอยู่ทีดไหนโดยส่วนใหญ่ไหลจิตจิตตามเรื่องนอกแต่เวลาความสุขจะอยู่กับวัตถุจะอยู่กับกามอารมณ์จะอยู่กับอะไรต่ออะไรต่างๆไปนอกแต่คุดเรื่อยไปต้นเรื่อยไปหาเรื่อยไป แต่นี้ใจที่ไปสุดก็เปลี่ยนความสุขที่สื่อลหวังแตยังดันดลบุกกนแวงหาตลอดมาคือความหลงของใจโดยส่วนใหญ่หรือยกเว้นเขามาภายในคือปฏิบัติกายใจทั้งตนตามสุขของศาสนาทื่เป็นศาสดาตรงสันนิษเสรคือความสุข เกิดขึ้นจากการอบรมจิตใจจิตใจที่เคย่ายแต่แต่เพืนไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆพยายามบังคับบัญชาจะกดระงับโดยการภาวนาามจิตของตนไม่ให้ติดตามสัญญาอารมณ์ส่วนนั้นบังคับบัญชาให้อยู่ในคำบริกรรมหรือเพื่อนจีนุที่จะได้นะวัตถุอันหนึ่งอันใด ตึงเนอยู่ในเนื้อในตัวของเราเองเอง ข, องข็มผมขนแล้วฟันหนังเนื้นอเอ็นกระดูกเป็นต้นคิ่จะด้นาให้จิตเกาะให้จิตอาศัยให้จิตได้รับการพักผ่อนแล้วจะสงบหนื่เป็นเรื่องทุกคนจีดจะต่องอุึกฝนอบรมนอกจากนั้นเมื่อจิตมีพื้นฐานความสงบ ทางด้านจิตใจดีเด่นแล้วก็ อ, อาศัยปัญญาที่เจนะตามความเป็นจริงของจริงอันนั้นให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงของมันว่าจริงนันนั้นมันมีการเกิดขึ้นแปรปว่นและแปกสลายอย่างไรจิตใจที่โตหลงจึดข้องยึดถือไม่อยากจะให้มันแปรเปว่นไม่อยากจะให้มันแตกสลายมัน เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราบังคับได้อย่างใจหมายหรือไม่หนูเป็นเรื่องของปัญญาที่จะพิจารณาแก่ไขใจของตัวทู่ติดข้องเมื่อทุกคนสนใจกระพปฏิบัติภายในดูใจวายาจใจของตนคนนั้นจะได้รับความสุขจากพระศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าความสุขนั้นเป็นอย่างไรก็ไม ต้องอธิบายถึงเพราะจทราบจากการเห็นการเป็นของตนหากผู้คนสนใจใส่คิดติดตามเรื่องธรรมะพิจารณาภายในใจจิตใจแต่สายพึงปรุงไปเรื่องภายนอกพยายามผลขู่พยายามปัดทิ่งใจจะได้รับความสงบใจจะได้รับความลงเรื่ม เ, เป็นอาจเป็นทำให้สายใจไม่เห็นไม่เต็ม ถึงจะศึกษาเราเรียนหรือฟังขนาดไหนแต่จใจต้องตัวไม่เห็นในเต็มก็ไม่มีผลมีประโยชน์อะไรจากการศึกษามาจะพูดเก่งขนาดไหนมีวาทศพคายขนาดไหนแต่ใจต้องตัวไม่เต็มแต่ให้นั่นก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเพราะโลกปวดหลงภายในบังคับบัญชารูเขียนอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นยังทําความเดือดร้อนซึ้งซง อยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้นี่คือจิตขาดอัดทำภายในแต่นั้นทำคําสอนของพุทธเจ้าจงยกต่อมาภายในสุ่ทางวัดทางศาสนาถือว่าโอปัยิโกน้อมต่อมาภายในดูกายใจของตนเห็นเสียงใดได้ยินเสียงใดจิตจุงอะไรเป็นเรื่องถี้ควรขี้จะนึกจิดน้อมเข้ามาภายใน อาการเห็นนั้นมันเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์ต่อตัวของตัวถ้าเห็นเป็นโทษอกควันละนเห็นเป็นประโยชน์อกควัเห็นควนบำเพ็ญให้จิตใจได้รับความเยือกเย็นสงบเห็นเป็นโทษตัวเห็นเป็นกิเลสตัณหามุ่งหน้าส่งออกไปขายนอกจิตในรูปคือเห็นคือตัวชอบ อยากได้อยากดีอยากนี้อยากเป็นอย่างนั้นความคิดความเห็นเกิดกําหนัดยินดีเกิดเชิงมัวเมาหลุ่มเหลงเศร้าฝันไปตามรูปสิ่งื่อเห็นนั่นคือเห็นสิเป็นคิดเป็นใครเสียใจข้องตัวถึงเกิดเชินมัวเมาก็เพราะความหลุ่มเหลงไม่ใ่เกิดเชินยินดีในทางลาภขอนในใ่ สิ่งเหล่านั้นเพิอเพลินไปสิ่งเหล่านั้นจะคงเต้นคงวาอยู่ได้ตลอดไปจะมีการลหลงไหลหรือเสียใจให้แจ่ตัวเองภายหลังนี่คือความเห็นเรื่องของโลกความเห็นเร่งของกิเลสแต่ความเห็นของธรรมตาสันเห็นสันตุที่นี้ที่จะด้นาหาทางที่จะเน้นสอนตัวเอง โดยอาจทำต่างๆก็เกิดปัญญาขึ้นการเคียงตามันมีทุกคนหูมันมีทุกคนจิตควรจะเกิดสติปัญญาวิชาความรู้แต่เทราว่าเราไม่ได้รักษาไม่ได้ที่จะเลยมาในทางอาจทำยิ่งเกิดการหลุ่มหลงเสิดอมเชิงสิ่งได้ที่เราเสิดอมเชิงหลุ่มหลงยึดถือสิ่งนั้นแหละจะให้ทุกแก่ใจของตนยิ่ง ยึดถือมากเทายย่าไรยิ่งรักให้จงหนอนเทา่าไรสิ่งนั้นจะเป็นภัยอันตรายหนักแน่นแกจิตแก่ใจมากขึ้นสิ่งใดที่เราปล่อยวางไปได้ในจิบข้องสงสัยสิ่งนั้นจะไม่เป็นภัยอันตรายหาทางทพิจารณาละถอนหาทางพิจารณาแนะสอนจิตใจฟองตัวนี่คือพิจประณา ป, ปฏิบัติอักธรรมตาเห็น ก็มาพิจารณาให้เป็นธรรมเช่นเห็นรูปสียังน ม, มแน่นสวยงามหรว่ารูปหยิงรูปชายจิตใจจะต้องติดข้องยินดีเพิดเชิมในปกติจิตที่ยังไม่มีอาจมีธรรมทุกคนจะเป็นไปอย่างนั้นจะศึกษาต้องเร็จปริญญาทั้นไหนมาก็เป็นอย่างนั้น เพราจิตใจในนี้อัดทามภายในจะลืมหลงไปตามรูปต่างๆเมื่อลืมหลงก็อยากได้เมื่ออยากได้ก็แสวงหาเมื่อได้มาก็ดีใจแต่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นภัยอันตรายคือมันเนยคงเส้นคงวาให้มันจะแปรไปเปลี่ยนไปตามธรรมชาติขาดผันคมีสติปัญญาภายในคือมีอัดทาม ของใจพอเห็นเขา้ารูปนั้นจะยังหน่นสาวสดใสงดงามขนาดไหนท่านจะต้องพิจารณาไปถึงแบบรูปนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรจิ่งที่มันเกิดมาเป็นของเสียงา ม, มหรือไม่หรือเป็นของสกปลกอย่างไรและภายในรูป ม, มีอะไรอยู่ในนั้นเป็นที่ยืนดีพอใจหอมหวานชวนด ม, มหรือไม่ หรือจนของตกกระตกกระติคืนอย่างไรก็ต้องที่นี้พิจารณาแยกแยะเข้าไปจนถึงความเกี่ยวของมันนอกจากนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนั้นยังไม่ชัดเจนเห็นจริงก็พิจารณาอู้อันนั้นคือหญาตาทวดาของรูปนั้นนั้นก่อนคือเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็มีความสวยสดงดงามเหมือนกัน แต่นานทีเขา้ารูปมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามธรรมชาติขาดขันรูปนั้นนั้นจะต้องมีความเศราหมองรูปเหล่านั้นจะมีความไม่น่ายินดีไม่น่าเพ อ, เ อ, เอิดเพลินเห็นเขา้าก็หน้าอิดหนาละอาใจหนึ่งไม้ถึงความแปรปรวนของโลกของรูปหรือเราเห็นมาแนศสอนจิตใจของเรา มาให้เพ่อเพลินลุ่มเหลืองไปเสียงก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีอัตมีธรรมแล้วจิตใจมันสม่ำเสมอเห็นเกิดเห็นตายเสมอกันเห็นป ก, ปกปกและสวยงามเสมอกันกเพรารูปกอศักตรูรูปเสียงก่อศัตรูเสียงจิตใจจะไปจิบข้องเลี้ถือยินดีเสี ย, ยใจในเรื่องเหล่านั้นมันหมดไป ขากไปนี่คือใจมีอักมีธรรมความลุ่มหลงเพิดเพลินเหอเหิมในวัตถุต่างๆจึงไม่มีในจิตในใจของท่านถึงมีอัตมีธรรมจริงจังเขาสมมุมติอย่างไรก็สูบไปตามเขาไม่ให้ขัดกับโลกแต่เพื่อว่าใจทั้งท่านจะไปลุ่มหลงติดข้องเต่าหมองเผิดเพลินเป็นอันไม่มีเนี่ยมันไม่มีอะไรมาลบกวนในความรักความ รังเกียจต่างๆจิตใจก็ตั้งมั่นจิตใจต่อเยือกเย็นจิตใจก็เห็นจริงความสุขความสบายไม่มีอะไรนะต่อกลื่อนเกี่ยวข้องมันต่อสุขต่อสบายเหมนเบื้องไฟแสงเทียนของเราถ้าหากลมมาเป่าแสงเพียนนั้นบางทีต่อรุกมีแสงจ้าบางทีต่หลีแสงไฟเพราะลมมาพัดมาเป่า จิตใจของเราก็เหมือนกันคนที่มีสัญญาอารมณ์มากเท่าไรคนนั้นจะไม่มีความสุขใจมีแต่ทุกข์แต่เดือนร้อนวุ่นวายไม่มีความสุขความสบายยิ่งจังแต่นั้นทางพุทธศาสน า, านการอบรมภาวนาการศึกษาธรรมะผ่านจิงให้เป็นโอปนญยิโกเห็นน้งองเข้ามาภายใน เน่สอนใจของตัวไม่ให้หลุ่มหลงไม่ให้เปิดเผยควาอยากของใจหากเราไม่มีเบรเราไม่มีธรรมเป็นส่งวัดส่งกัน้นส่งห้ามเอาไว้จะไม่มีวันเวลาใดจะเพียงพอบรอิบูรณ์จิตางของโลกกอทำนองเดียวกันไม่มีใครที่จะทำสำเร็จลุล่วงไปได้คนตายสือเอาไปเผาไปสังหากมีสู่ทีิเศษ ไปฝึกไปทำเขาเป็นคนคึมมาอีกสอบถามดูว่าจิตวิระหน้าทีของโลกเสร็จแล้วหรือถึงขัยตายอย่างนี้เขาจะต่อเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่างอันนั้นอย่างอันนี้ท่านอยากค้องใจไม่มีวันจบวันสิ้นในเรื่องของโลกมันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของอัตชามภายในไม่เป็นอย่างนั้นนัก บ, บันสั้งบันแคบโผลมาจะว่าเป็นเรื่องเห็นแก่ตัว ก, ก็ถูก เห็นแก่ตัวแต่ในเป็นที่เป็นใครแก่โลกตัวของเราต้องเห็นแก่ตัวของเราเสียก่อนมันเห็นแก่ตัวเสียก่อนจะไปเห็นคนอื่นเป็นของดีดที่เจ็บกว่าเราจะยากที่จะประพฤติตปฏิบัติให้เป็นเหยเห็นเหยื่อพระพุทธเจ้าหรือคืออาจารย์สาวกท่ า, ท า, น, ทท า, น, าทนต้องสอนท่านเสียก่อนเห็นเรื่องของตัวเป็นเรื่องสำคัญตัวเรื่องของคนอื่นทั่วไป จะประพฤติกายประพฤติใจท้องตัวให้ดีให้หมดลาชีกิเลสเมื่อหมดได้เมื่อไรเราจรึงจะช่วยคนอื่นส อ, อ, อนคนอื่นแนะคนอื่นหากเราจะสอนคนอื่นแต่ตัวของตัวเองเยังไม่รู้ไม่เห็นอาศัยตำรับตอาลาของศาสน า, า, ามาสอนมันไม่เป็นผลเป็นประโยชน์ให้ตัวเองจะเสียวันเวลา คนอื่นที่นมเกีออ่วยวข้องตกพลอยเสียไปเพราะตัวของตัวไม่รู้จริงเห็นจริงอะไรที่จะนำทำสอนที่ถือต้องแน่นอนไปสอนเขาแต่นั้นตัวของเราจรึงเป็นเรื่องสำคัญควรที่จะฝึกควรที่จะปฏิบัติในขัาใจในรู้เห็นในดีเด่นเปนหมด สงสัยภายในใจของตัวว่าอะไรควมจะละจะบาเพ็ญต่อไปความเจริอยู่ปัจจุบันจิตใจของเราขัดท่องอะไรยังมีอะไรที่จะละจะบาเพ็ญอีกท้าบในลรารยจิตของตัวเองเห็นในความต้นของตัวเองเราไม่มีทางสงสัยไม่มีอะไรจะไปก่อกวนความสงบสุขอันนั้น ความสงบสุกอันนั้นตำาราทางสารนะแผ่นจึงต่าโอวัตนัตถิสันติพลังสุขขังสุขอูนยิ่งกว่าความสงบไม่มีตามสงบธรรมดาจากาานะจาการภาวนาสมาธิก็มีความสงบแต่ถอดถอนออกจากความลงรวมจิตนั้นจะต้องแสียสายไป ต, ตามสัญญาอารมอีกจึงมีการ ทำกันบ่อยฝึกกันบ่อยนี่คือการปฏิบัติตัวในขั้นต้นแต่ก่อทำให้ศรัทธาเชื่อมัน่นและความสงบสุขมันดีวิเศษอย่างนี้มันมีรสชาติอย่างนี้โดย ม, มีคนไปบังคับบัญชาให้ภาวนาผ่าเพียนแต่ความเชื่อความเห็นความเป็นในใจโคยไปสบพบมาจากความสงบจากการภาวนา ยังอยากทาเออยากเห็นอยากรู้มีความสงบเบื้องต้นแต่ความสงบที่ท่านกล่าวว่านั่ถี่ทันตีพลังสุขขังความสงบนั้นไม่มีวันไม่มีเวลาไม่มีออกไม่มีเข้าไม่มีไปไม่มีมาแต่ความสงบเป็นอย่างไรมันก็เป็นปัญหาสำหรับใจคนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ไปไม่มาไม่อยู่ มันเป็นอะไรคนที่เห็นผิวต้องมีทางสงสัยเพราะความเป็นความเห็นอย่างนั้นไม่อยู่ในวงสมมุติไม่เกาะเกี่ยวกับสมมุติไม่เกาะเกี่ยวกับโลกสงบทุกการทุกเวลาทุกระยะถึงกายวาจาจะทําอะไรส่วงความสงบความเป็นไปส่วนนั้นบริสุทธิ์อยู่ทุกระยะทุกการ จะเข้าที่หรือไม่เขา้าที่จะตายห่าตายโหองอย่างสานน ม, มัญชนธรรมดาก็ไม่มีวันเวลาที่จะเป็นอัปปะมงคลสําหรับท่านคนนั้นอย่างฆารหันพาหิยะถูกวัวชนตายในการแสวงหาข่ามาบวดเขาพุทธเจ้ากับทังเระเสนปปรินิตรทานคือทาจิตบริสุทธิ์แล้วจะอยู่อเรียบ ด, ด้ดย คามบริสุทธินั้นไม่มีวันที่จะเศร้าหมองส่องใสไม่มีวันที่จะไปจะมาจะเสียจะหายตามความสมมติทั้งโลกนี่คือความบริสุทธิ์ภายในไม่มีการออกการเขา่าการไปการมาการอยู่ไม่มีกล้องยินละคัดประเทศไหนสมัยใดที่จะส่องดูได้ความละเอียดความเต็มไปทั้งจิตชนิดนั้นนอกจากตัวของตัวเท่านั้น จะไปะสดพบเห็นเข้าใจชัดเจนในความบริสุทธิ์ทั้งตัวนี่คือความบริสุทธิ์ที่เรียกว่านัตชิสันติพลังสุก ข, ขังทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติในเรื่องให้เห็นในเป็นจริงได้เพราะที่เหลือยังมีมรรคข้อปฏิบัติเพื่อจะละจะถอนจะยังมีอยู่เมื่อถึงจุดจบของมันเป็นอย่างไรมันจะ จบได้ก็เดินไม่หยุดหยุดหมายปลายทางในต้องสงสจะต้องถึงที่ไม่เดินอยากจะถึงไม่กินไม่ดื่มอยากจะอิม่มในทำงานจะอยากจะให้งานเสร็จนี่เป็นคิดเป็นไทยสำคัญสำหรับโลกสำหรับธรรมดันั้นเราทุกท่านที่ตั้งหน้า ต, ตั้งตามาศึกษาตั้งหน้า ต, ตั้งตาจะทำบาเพ็ญ อย่าทอดทุละอย่าถอยหลังอุตส่าห์พยายามทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้าอย่าคิดตึงต่งไปเรื่องใหม่บังคับกายบังคับใจให้อยู่ในกรอบของธรรมดีในสอนใจของตัวอยู่ทุกระยะใจจะมีคุณค่าใจจะมีสาระสำหรับตัวเองไม่เดิเมาเด็กาวตู่ดูหมิ่งว่าตัวของตัวเป็นโมฆะ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 สังขารถึงมีอยู่เป็นจิตไปเรื่องต่างๆก็เป็นเรื่องสังขารแต่ความบริสุทธิ์ในใจสังขารถึงความบริสุทธิ์แล้วสังขารยังมีอยู่สัญญาอยังมีอยู่เวทนายังมีอยู่รูปยังมีอยู่วิญญาณยังมีอยู่เพราะอันนี้เป็นขันในใชชกิเล็ถ้าจิตไม่จะชี้เล็ดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีกิเล็ถ้าจิตไม่ เป็นตัญหาทุกสิ่ทุกอย่างเนี่ยเป็นปัญหาจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านควรจะศึกษาควรจะพิจารณาให้เห็นโดยเติมใดญเกิดมาจนกระทั่งวันตายในใจเห็นจิตตัวเองนั่นแหละจึงเป็นเรื่องสำคัญตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนตายแล้วจะไปอยู่อย่างไรเลยไม่ท่าเพราะตัวเองเนี่เห็นตัวของตัวตัวเองนี่เห็นจิตของตัว แต่จะทราบว่าเรามีจิดมีแต่ไห่เห็นมันไม่เป็นประโยชน์ต้องให้เห็นเพราะเรื่องของจิตเป็นนามธรรมละเอียดปัญญาธรรมะสื่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นนามธรรมเหมือนกันของละเอียดอย่อมถึงกันได้เห็นกันดาษแต่จะเห็นเด็กตาเนื้อธรรมดาหาต้องใสยวิทยาศาสตร์มาดูไมร่รู้ไม่เห็น จะไสองที่ไหนไปหาที่ไหนเป็นกระทั่งวันตายก็ไม่เห็นแต่ท้าเอเวอเรียนบเพ็ญด้านภาวนาคนผิดเคยสงสัยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างไรเขาเองจะเห็นเป็นปฏิบัติตังสําหรับการประพปฏิบัติฉะนั้นเราทุกท่านคือมุ่งมั่นมาประบัติปฏิบัติหรือนับถือพระพุทธศาสนาควรเอาสาระจากการเกิดของตัวใน้ได้ อย่า่อยให้เป็นหมันตายไปเพื่องเปล่าหาสาระอะไรไม่ได้ควรต้นใจที่นิพิ่จรณาถึงเราจะอยู่ในอิเลีดดยบดใดก็ให้ตั้งใจบำเทนเพียรที่นิพิ่จรนาปัดเป่ากิเลสตัญหาความคิดตึงเสื่อไปในทางเชื่อทางเสียให้ตกออกไปจากจิตจากใจนำธรรมะทําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นทาง ที่จะทําจิตให้สงบเย็นทีนี้คือเจณาบาเพ็ญเลื่อยไปคนนั้นแหละ <c oughs> ถึงเงี้ยก็จะมีวันฉลาดถึงหลงก็จะมีวันรู้ถึงแค่เพลินมัวเมาก็จะมีวันสั่งเบาไปเพราะใจสัมผัสกับอัดทำอยู่สม่ำเสมอนี่เป็นเรื่องของทุกคนควรสนใจควรฝึกตัวของตัว เมื่อคึกได้ปฏิบัติได้เข้าใจถึงมันก็ไม่มีอะไรโลกเปิดเผยอยู่สม่ำเสมอไม่มีอะไรปิดบังที่จะเป็นปัญหาต่อใจทันจึงว่าอาโลโกอุทปปาทิคือสว่างโลกอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนสว่างมาแต่ไหนแต่อะไรแต่อันหนาะใจมันเบื่เลยไม่เห็นแสงสว่างว่าอันนั้นนะ่ารักอันนั้นนะ่ายินดีอันนี้นะ่ะเกลียดนะ่ะต่างๆๆ คามคิดความปรงความบุ๋มความหลงของใจมันเต็มแบบนั้นเพรใจยาวในเข้าถึงอัตธรรมถึงศึกษาถึงปฏิบัติแต่มีใครอื่นที่จะมาปฏิบัติแทนเสือเราทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของเฉพาะตัวไม่ว่าการกินการถ่ายไม่ว่าการหลับการนอนการประเัตปฏิบัติคนอื่นจะมาเสืยเหลือเสือเนื่น ในดีริเศษในได้ต้งเป็นตัวของตัวเองผลจริงว่าอัตหิอัตโนนาโถเป็นแลเป็นถือถึงของตนใมส่วนคนอื่นจะมาเป็นถือถึงให้นี่คือธรรมสพระพุทธาเจ้าตรงแนะนำสั่งสอนกับพระสัตว์คำว่าสัตว์ก็คือผู้ข้องมนุษย์ก็เป็นสัตว์ไปยังคล้องอยู่จรินที่ยังคล้องอยู่เราเรียกว่าสัตว จะเป็นชีวิตแบบมนุษย์เทวดาอินพรมโยมยักษ์ไม่ว่าหากจิดยังคล่องกิเลสปัญหาเขาเรียกว่าสัตวทางศาสน า, ศาแต่เราหากเขามาเรียกเราว่าสัตว์เราก็อาจโกิดเหตุเขาเพราเหตุใดก็ราทราบว่าสัตวเรายังไม่รู้ไม่เข้าใจจริงจังและไมะ่ไดวรบมาทคำว่าสัตว์คือติดข้องเรายังคล่องอยู่เรายังไม่หลุดในตนเราจึงเกิดเขา เกียดเขาว่าเขาปูดไม่ถูกตามนิยมสมมุติแต่ท่านคือบริสุทธิ์ภายในจิตในใจไม่เป็นอย่างนั้นถึงเขาจะพูดอะไรเสียงที่พูดขึ้นออกจากปากเขาพอหลุดปากออกมาเสียงมันก็ดับไปท่านในจะเก็บเอาไว้ภายในใจของท่านพระพ้ทธเจ้าที่ถูกเขากล่าวหาดาหา่าว่าต่างๆ ถ้าไทยท่องท่านไม่เคยสอบหมองไม่เคยเสียหายเพราะท่านเนเก็บเอาท้องเน่าท้องเหม็นในเก็บเอาอะไรภายในโลกรู้เห็นตามเป็นจริงก็รูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีสัมผัสก็ดีหรืออารมณ์ก็ดีหน้าที่ของมันเกิดแล้วก็แปรปลี่นดับไปเสมอกันหมดไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกัน มในว่าฝ่ายดีในว่าฝ่ายชั่วเรื่องทั้งโลกมันเป็นมาอย่างนี้ถ้าถ้าที่เราเหลืองอยู่มันก็เป็นอย่างนี้ถ้าถ้าที่เรารู้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะแก้ไขไม่มีอะไรที่จะจิดบังนี่เธอจิตจิตที่เห็นตามเป็นจริงจึงไม่มีปัญหาอะไรภายในใจของท่านท่านจึงอยู่แบบสะดวกสบายท่านจึงเกี่ยวหังเหมืองน้ํากับใบบี้ ถึงยืดด้วยกันแต่ก็ไม่ติดเรื่อนกันถึงเอาน้ำไปเยียบใส่มันก็ไม่ซึมซาบลงไปในใบบัวนี่จิตใจของพวกเราโดยสื่อมใจที่ยังไม่ได้ศึกษาไม่ประพฤติปฏิบัติถึงจุดหมายปลายทางไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนกระดาษรับกระดาษซึนก็นดดกนดดนถูกอะไรตะซึนเข้าไปดูดเข้าไปไม่ว่าทางดีทางชั่ว มื่อมัเป็นอย่างนั้นจึงควรปฏิบัติควรรักษาควรสังวรคนูประเภดปฏิบัติเบื้องต้นสื่อเนใจจะไปถึงมรรคถึงผลต้องเป็นคนทาตาให้บอดหูให้หูกในติดตามสัญญาอารมณ์อะไรทั้งหมดสืดอถึงใจก็ดีตาเห็น อย่าไปคิดตามเรื่องที่เห็นที่ได้ยินก็อย่าจึงไปคิดนี่คสื่อมหายจะให้จิดได้รับความสงบเยอะก่อนมีกําลังทางสมาธิหนักแน่นมั่นคงจึงป่อยพิจารณาคายหลังเรื่องต่างๆที่เห็นที่ได้ยินจะเป็นบันไดทำจิตทำใจให้สูงขึ้นดสึนสอนให้สงบเหมือนเด็ก เกิดมาใหม่ๆยังไม่ใหญ่โตทําการงานอะไรไม่ได้เขาเหยียดาปอมเด็กคนใดนอนได้พักผ่อนได้ในคนรบครัวเขาชมว่าเด็กคนนั้นดีจต่เมื่อโตโตขึ้นมาควรแก่การเกี่ยงานแล้วถ้าไปนอนแบบนั้นกินแล้วนอนไม่มีทําการทํางานอะไรพูดไปอีกอย่างเหยียดพันไม่เอาฐานอะไรเด็กคนนี้ เหมือนกันทางศาสนาพรัดสอนอย่างนั้นสอนจิตให้สงบแี้ก่อนแต่เมื่อเตรียมแก่การจะที่นีพิจารณารัถอนกิเลสด้วยปัญญาต้องทํำไม่ใช่ว่าจะให้สงบถ้าสงบอยูถ่ายเดียวอย่างนั้นโดยไม่ใช้ปัญญาที่นีพิจารณาอะไรสันผืสว่าสมาธิหัวหลักหัวโตไม่เกิดปัญญาอะไรที่จะแก้ไขกิเลสโดยไม่เกิด ทำดีอะไรถูกเป็นเรื่องดีเสร็จนี่ตลบไม่ใช่นักสู่พยายามที่นี้ที่เจน่ะพยายามสอนใจบายายใจข้างบนโอกาสเวลาของทุกคนที่เกิดมาจะไม่เป็นของกิรังยั่งยืนไม่เป็นของแน่นอนบางคือยังเล็กยังเด็กยังหนุ่นยังสาว กเ่มหายตายไปเจ็บไข้ได้บางทีแก่เท่าจนก่อเกลียวไข้ล้มตายก็มีมีนิดเครื่องหมายขาความตายไม่เป็นของแน่นอนที่แน่นอนที่สุดก็คือลมหายใจเหนื่ออกไม่เข้าหรือเข้าไม่ออกจะเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจะตายโดยกันทางนั้นสั้นๆเคียงลมหายใจออกหายใจเข้าแถวนั้นนี่คืออายุท้องถิ่เรา แต่นั้นการประพติปฏิบัติเนื่ออะไรภายนอกยังไม่ได้มีมาเกี่ยวข้องมีความสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้ทางกายทางใจอย่างเจนเน็ดเจนหน่วยเรื่อยเร่งขนขคว่แต่ทำำําบําเพ็ญให้จิตของตนเยือกเย็นเห็นธรรมควรจะแแนวสอนตัวอย่างนั้นไม่อย่างนั้นจะปล่อยวันเวลาให้เต็นหมันเรื่อยไป คนที่สุดตัวเองก็ไม่ได้อะไรตายไปต่างคนแบบนั้นคนลบศาสนาโลกโล ก, โลกไม่มีอะไรที่จะดีดีเศษให้พยายามสอนใจของตัววามเพียนคือความมีสติวามเพียนคือสามอดสามทนนี่เป็นความเพียน สติปัญญาเป็นสันเลขาทมคือเป็นเรื่องกำจัดป่าเต่ากิเลาสขา ด, ดาาวาความเทียนถึงจะเดินอยู่นั่งอยู่ทำขาดคือกิริยาเหมือนโกว่าทำความเพียนแต่มันเป็นแป่กาจใจไม่เป็นให้จพงศึกษาเพิที่จะรณานาิ <c oughs> ่งถึกปกรมบกาเนเียนกะเกียนเพียงจะออกพรรษาแล้ว ในกีวันก็จะออกพรรษากันความเป็นมานในพรรษาตลอดออกพรรษามีอะไรเป็นคุณค่าสาหรับใจผมชวนจะสอบสืบที่นิจพยนาตัวเองแต่ความจียงออกพรรษากิเลสมันไม่ได้ออกไปด้วยนะมันมีอยู่อย่างไรแต่คงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นในพรรษาหรือนอกพรรษาก็ไม่มีอะไรผิดแปกแตกต่างกัน สำหรับการประปฏิบัติสำหรั บ, บจิตใจสิ่งที่มันชอบสิ่งที่มันไม่ชอบมีอยู่อย่างไรนั่นก็คนทู่ดีงามอ ย, อย่างนั้นถ้าหากเราไม่ชำระสาัสสังโดยสติปัญญาไม่มีการภาวนาชำระใจจึดควรสอนเตื่องตั้งเตือเ่อเรื่อยไปปฏิพัติปฏิบัติเรื่อยไปใจที่มีอาจมีธรรมมีความเบิก บ, บานยินมแย้ม อย่างมสภายในใครเข้าใจเห็นไม่เห็นนั่นเป็นเรื่องของเขาเราจป็นอยู่อย่างไรเราสามารถที่จะทราบได้จากตัวของเราเองคนอื่นเขาจะเอาประการนียบัตรมาติดให้เขาจะโฆษณาให้นั่นเป็นเรื่องของเขาหายใจของเราไม่เต็มไม่เห็นไม่รู้จะโฆษณาจนปากฉีกมันก็ไม่เต็มเต็นจตเต็มประโยชน์อะไร ถ้ามันดีที่สุดจะตัมม้มนิจนปากมันฉีกมนต่อไม่เห็นเสียหายอะไรแต่ที่เจ้านาให้ถึงแกต้องความจริงแล้วจะไม่มีการบั่นไหวไม่มีการเสียใจให้ตัวเองก็เกิดมาเป็นโมฆะพยายามก็พึ่งปฏิบัติสึกหั ด, ด, ด, ด, หดเริ่มตัวของตัวจิตดีจิตมีความสุข ทุกสิ่งทุกอย่างก็งถูึกไปตามเห็นสิ่งทีเ่เป็นเด่นเป็นใคก็จับเกิดความเมตตาสงสารไม่มีความกลัวก็ะ ด, ดุในสิ่งเกไปไม่ว่าใัยอันตร า, ายจากอะไรพอใจสงบพอใจเห็นใจรู้พยายามฝึกพยายามอบรม หาสี่กองศาสนาสอนทุกคนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตนักบกวชฤทรวาสหยิงชายศึกษาได้ทำได้คนทิ่ทำตามเรื่องกองศาสนาเป็นฆระพิสุสามเณรเกิดดีเป็นฆราวาดก็ดีสะาดประพฤติตามคำนองกองคำจิตขันธน์สอน มีความสุขความสบายในทะเลาะเบาะแว้งใ่ขิดเสียงกันพอใจหรืออัดเน็นทำพอใจสงบโลกก็เลยสงบใจปัน่นเป่วนเรนเรวนเดือวร้อนก็ อ, อยู่สถานที่ใดเห็นอะไรก็เดือด ร, ร้อนเขาพูดดีๆก็เกิดเขาเขามาดีๆก็ผิดใจตัวนี่คือ ใจมันชั่วใจมันเสียใจมันไม่ดีใจมันไม่มีอาจมีทาไม่มีเหตุมีผลมันเป็นอย่างนั้นแต่นั้นจึงพากันพยายามศึกษาพากันภาวนาหาความดีให้ได้เพราะทุกคนมีสิทธิจะประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เด่นเรารักเราสองประพฤตปฏิบัติตัวของเรา สาธธรรมะจากตายวายาจใจของตัวม่ทุกคนสนใจต่างหน้าทำตามเอวอ่ะดธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนต่างชาตต่างคนต่าจิตแต่รับความสงบสุขการอธิบายธรรมะก็เห็นว่าพอสมควรสี่เวลาพอยิติเพียงแค่นี้